18. คนผู้ยังไม่หลุดพ้นจากโลกีคือผู้ยังมีวิปลาสคนในโลกีตกอยู่ในภาวะที่มีวิปลาสสามเป็นธรรมดาปกติทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องลึกล้ำคำพีราเห็นตามได้ยากมากทุททศา รู้ตามได้ยากทุรนุโภธาเป็นภาวะที่สงบพิเศษสันตาสุขุมประนีปณะนีตาความรู้แค่เหตุผลแม้จะลึกซึ้งปานใดก็ไม่สามารถรู้ความจริงนี้ได้อาตากาวัจราเพราะละเอียดลึกล้ำขั้นนิพพานนิปุนา รู้ได้เฉพาะผู้เป็นบันดิตจริงเท่านั้นบันดิตเวทนียาวิปลาส3นั้นได้แก่สัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสผู้ที่หายจากวิปลาสความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนจากความจริงไปตามลำดับ จะมีสติปัญญาที่แท้จริงเป็นอาริยบุคคลเข้าสู่โลกุตระภูมิถึงขั้นหลุดพ้นสูงสุดจากโล ก, กียภูมิก็เป็นอรหันต์ซึ่งเป็นผู้พ้นความเป็นอัตตาเพราะมีภูมิอรหัตตามาตามลำดับ อรหัตตาหมายความว่าความเป็นตนที่ไม่ลึกลับนั่นก็คือความรู้ในความเป็นอัตตาที่ตนได้ศึกษาปฏิบตัติสั่งสมโล ก, กุตระธรรมใส่จิตใจของตนซึ่งก็ใส่อัตตาของตนนั่นเองแหละมาแล้ว มีโลกุตรธรรมจริงในตนอย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอัตตาที่เป็นโลกิยธรรมแล้วเกิดเป็นอัตตาที่เป็นโลกุตรธรรมอย่างมีปัญญาอันเป็นโลกุตระไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาอารหะ จึงสามารถอาศัยอัตตาที่เป็นอัตตาที่ปรสุจากิเลสจริงๆนั้นๆได้ไปตามลำดับ